พระธรรมเทศนาจาดกปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณแปะคำเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยป่ออินสมชัยชมพูป ร, รียนทาหกประโยกนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงยโม ตถาภะกาวโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่ตังสัทธาสาวัตถิยังเจตาวนีวิหารต่อภิกขุนังกะทังอารพากะเทสีติ ตาโวดูราสะปุริจ่าตั้งลหลตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันมาพร้อมอยู่นานำจุงดาจำแต่เก่ายังจาดกเก่าเจียงคานอันอาจารย์แต่ไทยสอนสืบไว้นำมาเพื่อเป็นมักกาเตียวตอง เป็นม้อยไตยส่องต่างเตีวไดรีเปร็วไปรอดเวียงแกวอยอดเนระพานสุขสำรัญคำเจ้าบอกแก่เท่าจาระและนาะศธาอันว่าสัพปัญญวพระพุทธทเจ้าตนเป็นปินเก้าที่โลกาน้ำสัตตามวลมากคือป้นจากสงสาร สงสำรานยังจอดในอารามยอดเจเจตวันนาอารามอันรุ่งเรืองงามบ่พลอยู่นอกบ่นเบื้องสาวัสทีอย่าตาและมียามใดดังอันตาตาในกาละนั้นเล่าอันว่าเจ้าพิกุตั้งหลายอันนั่งใยา่ ย, ย, ายมวนหมู พร้อมน่าอยู่รงทมต่างไขกำตัตนต่อออกปากรอจอมกันตามได้หันและหูฟังคนอื่นอู้จำ ม, มาว่าอาวุโสดุราตันตั้งไลเหยเฮยทวนนาอันมาอยู่ท่าฟังธรรมอันว่าพระองค์คำปิ่นเก่าคือพระพุทธทเจ้าเรารา มีภาษยามากว้างไัยบ่ออ้างเตียมต้นพระ ย, ย่อมไขปันก่าวแก่ฮือแจ้งแน่หันใสตั้งก้นไก่แหละไกลตั้งเต่ปาไทยปลายบนยักษ์พระสนอากาศตั้งเจ้าฟ้ า, าพาปุรีอาจารย์ดีนักภาดผู้ฉลาดลวงลาล ได้พันภัยมาไกลนบน้อมไว้ทำปัญหามีนำนาหลาแหล่ผ่นย่อมแก่ซับปันหือได้หูหันแจ้งทีสุดเสียงตีสังกาพระบมีผญามากว้างไผ่บ้างเตรียมตั้นเลยนะ อาธาสัทธาได้กาลนันไซพระติวัยจินามานพงสำรา้านยั่งย่อนอยู่ในบ่อนกันทกูดีโสตั ญ, ญมีเป่งปอยได้ยินทอยกำจาแห่งพิคุสังฆาหนุ่มเทาพงตันเหล่าจะไข คงภาสไรตอบตองอยู่ในห้องโรงธรมพระองค์คำหันเหตุจักกวรเตศะนาจริสเด็จลีลากาผากออกไปจากกันทกูดีดังราจสีตัวองอาจยกย้ายบาตีลาจากกูหาทำแก้วเปื่อละแอวดงภยัย กันพระซาเดจไปจู่จอถึงศาลายอดโรงทำพระองค์คำตนสักสวาสก็นั่งลงเดืออาสนะยามนั้นพิกุสังฆานุมเทาหันพระเป็นเจ้าสปัปญญูสาเดจมาจู่บ่เจา้าภาคกตต่อนาสปัปญ ก่อปะกันขา้าวใบทวนคบไขสามหนแล้วหับปากตนจูผู้เต่านั่งดักอยู่ได้ไดพพเพราะบุญภายตนผ่านแผวเล่งพอไข่แลอโรงทำหันพิงคู่น้นำมวนหมูนั่งดักนิ่มอยู่ดูงาม ราแสงถามดูเราโดยบทบาทเก้ากำจาวาพิกขาเวดูราพิกูตั้งลายมวลหมูอันมานั่งอยู่ใหญ่ยายตันตั้งลายใหญ่น้อยได้ใครต่อถอยสั่งจ้าหันเรามาอยู่ไกลลวดยังไววกังหนฮับปากตนจูผู้ บอกเก่าเยาาไปนันจาตีนันนาเจ้าพิกุตตนองอาจจบชาลาดด้วยววหารก่อนมัสะ ก, การกา้มเก่าบอกพระเป็นเจ้าตามมีพระมูนีนยอดซอยจริงตอบท้อยไขายจาว่าพิกขาวเวดุราพิกุตตั้งลาย เรามีพัญาภายแผ่กวาา้างไบ่บ้างเตรียมตั้นบอใจปัจจุบันแต่กี่คือบอใจจาดนี้บัดเดียวเมื่อเราเต้วโลกว้างพงก่อสร้างป่าราวีลายแสนปีเป็นข า, นาดเราจมฉลาดเหลือคนมีพัญาตนแจ้งสง่ง โู้จูห้องเป็ดสนาแกปัญหาหน่อยใหญ่ได้พร้อมไขจู่อันอันและนาเพราะศรัทธาตนผ่านแผวเก่าตานันแล้วหลววัดวางกรรมคือบ่อน้ำจาดเก่ามาบอกเล่าตามราย คือพิคุตั้งหลายมวนโมเตาตุนหิภาวะอยู่เราราตีนันนาเจ้าพิคุตนองอาจจบชาลา ด, ด้วยววหารกนบสาการขับไปในตีไกปตาวาพันเตภกวาคาแดพระพุทธเจ้า ตนเป็นปินเก่าที่โลกากรรมพระจ่าแต่กีบอแจ้งทีสุดปลายคาตั้งลายจู่ผู้ต่างไขหูเย้าไปขอพระไขเก่ากีเหอแจ้งทีตามมีแดดเติอ อาทาสัทธาเหมือนนั้นสัทธาสัพปัญญุตนผ่านแผวจิงไข่ข้าอบแก้วเตสนาวะาติเตกีราพิกขาวปันโุโลนามากาปติปันโุมตินากเร ปฏิวาสิตาดังนี้เป็นตนพิกฆาเวดุราภิกโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยจากรเชื่อนักภาทรงยานแต่เมื่อ น, นั้นลายหลากเก้าสิบกับหากเป็นหมายยังมีใจผู้หนึ่งใส่มีจิว้ปันทุลกะหะบดี โอ้เหยืออมีใหญ่กว้างอยู่จิมคางปันธุมตินากรแห่งเต้าผู้ทอนปันทุมติราเจ้าภาสาดใสสีส่วนกะบอดีนั่นใสอยู่หนไตเวียงใจบอ่อเขยนใจกันอยากเข้าของหากมีหลายตั้งวัวควายเป็ดไก เรือส่วนไรนาเฟืองตั้งคำเหลืองลายแหลเงินขาวแพ่นลายลามมีพาริญยางามอ่อนน้อยจืดนางยอดซอยวันนับประพามีลักขณ า, าผ้าเสื้อเงาลำเลิดปุนแยงมีสายรอมแป้งลูกเตาสี่คนเล่าเป็นมา ย, ย่อมเป็นใจเสียงไข่ คนเก่าได้หกปีลำดับปีที่ถอยคนสุดจ้อยปีปลายอุ่นต า, ายน้อยใหญ่บ่มาไกลเบียนควี กหาบอดีผู้ปอกกับนางนอมาดาเลียงบุตรตาตั้งสีด้วยใจกีจมบ้านอยู่สำรานจื่นจอยบ่อตำก้อยมองขีก็มีหันแลยนะตาตาตาในกาละนันไซนอพระติวัยตสาสะพนเกิดอยู่บนจันฝ้าคงแหลงลาตุสิดา เองเหมินมาแต่ใส่สีร้อยปีติไข่เตึงตันนอคุณทันตนวิเศษทันเก้าเหตุทันยาเือติ ป, ปะมาลาดอกไม้อันเคยใจเดิมอ้อนกินเกสรรสเล้าหอมตัวเต้าเอาใจบัตินีวันไว้เหี่ยวมวย กันท้าแสงสวยหลหยหนเครื่องพระดับตนลหลสิ่งวันน่ะยิ่งเดิมมาบัดนี้นะมนเร้าบอบเหมือนเก่าเดิมอ่อนติบอาพรดูลากพอแล้วหากดูมองเหือไหลน้องพดออกมาไปนอกตัวตน นอตสับปนตนองอาจกองความสัญญาว่าจักได้กากาก็เอจากภาศาสยเจียงคางตามบุญสมปานแต่งใจฤกษกรรมถอยไรปะไปบ่อนานเต่าได้แต่ใสนอพระติไวบุญภายก็อจุดที่ตายกากราจากภาสาสตุสีดา วิบากปามาลุ่มฝ้าลงสู่นาเมืองคนใดเอาตนมาเกิดในต้องนางผู้พาเสดวั น, นปภพ า, าอันเป็นภาริญารักขอดแห่งปันทุนยอดกะฮะบอดีสิบเดือนดีควบไข่ด า, างก่อพาสู่ใดบุตตา มีลักขณาผาเสตงามลำเลิดเปล่งแป้งปอแม่แฝงอยู่เฝ้าตุกคำเจ้าเอาใจถึงวันใจมารอดก็ใส่ชื่อยอดบุตรตาเป็นนามชื่อซอยว่าเจ้าอ่อนน้อยจันตากุมานเป็นน้ำคานบอกเหตุ ว่าเจ้าน้อยเนตรบุญมีผ่าสุดวันดีพร้อมผ่ำขึ้นสิบห้าคำเดือนเต้งพระจันเล็งใส่สองแจ้งไข่ห้องธานี mm hmm. เจ้าบุญมีอ่อนน้อยเป็นน้องซ้อยสุดปลายคือเป็นลูกจายทวนหาแห่งนางนนาวันนปพาตั้งสองขาพ่อแม่ หากโลกนักแก่เลือใจขัดสีไขป้อนเขาทุกคำเจ้ารุมราตั้งผ้าตาผู้ปีพร้อมตั้งสี่คำใจมาแวดยายบอกหากตีเจ้าหากติดวันปีเดือนวันปันรอดหนอเจ้าหยอดมูนี้ก็จำเรือนดีจากใจ โบหูเมื่อยไค่ดาวไในหูจะไค่ก่าวอ้างหูเตียวยางไปมากก็มีหันและนาตาต่อปัทญาแรกแต่นั่นไปไปนาบอเดินจ้าหึงนานหลอโพที่ญาณขึ้นใหญ่อาอยู่ได้เจ็ดปี นางบุญมีแม่เจ้าคือนางนอเนา ว, วันนาปภ า, าก็มีโรคกาหลายลูกมาต้องถูกในตนนางเรรนไม่มาย้อนผาตยเบียนพี่กะบอดีผู้ใหญ่ก็เอาไม่เวว่าเหตุปิญารักขอดอยังนางยอดเมียแปง เฝ้าเล็งแยงจิม้มคางบ่ดีห่างวางลากันคนจาฮือฮู้ว่าหมอยาดีอยู่แดนไดบ่ว่าไก่และไก่ก้านตีนใส่นำมาจุ่มมอยาจู่ผู้ต่างอวดออย่ายำแต่งขันคำตั้งไว้ตกย่าใส่ตามไร ว่าเปียธีจะหายเสียงคอดเมื่อสามวันรอเติมมาผ่องใจกะทาเสกเป่าเจ็ดแหกเล่าต้วไปห่องสุม่มไฟต้มน้ำใส่ยาพร้อมพำผ้าสมว่าเป็นยาดมแต่เก้าหลายเจนหมอเท่าเดิมอ่อน เปียที่จักถอนบอดจ้าบอล่ำกว่าเจ็ดวันพ่องพงหันต่อหน้าก็ขามตาอาาว่าเกยยาบ้าหลายแหล่นับบ่อแป้ดีดีเืีองยาบีหลายสิ่งย่อมกายิ่งจูอันอัน ้าบอตันแต่งไหมดเสียงไข ว, วันว่าจุงฮือกาหยาแกคาไปก่อนนาับปันต่างตั้งขันคู่เกา่าตามรีดเกา่าเดิมมาจักรีบแต่งยาคุณใหญ่มาตกใส่บัดเนียวจักหันเร็วไว้ว่องเปียที่ในห้องกาญยาจักหูกาก้อยกาด คือหายเสียงขาดดีลีกหาบอดีป่อเจ้าฮักนั้งหน่อเนาเมียแป้งยิ่งกว่าแก้วแสงกานใหญ่ยิ่งกว่าเงินบาทไตคำ ข, ขาใขรเพื่อภริญาน้อยนาดได้กากาดอนตาอยกันหมอตั้งลายใหญ่หน่อยใข่เกาท้อยสันใด ก็เร็วไวัยจกใจฮือด้วยง่ายตามคำเงินคำนำแต่ก่อนกหูพ่นบางตาภริญาหนุ่มเนาก็เป็นดั่งเก่าเดิมอ่อน เพียที่บอ่อทอนกากาดบ่อหูขาดหายหนุนบ่จูคนน้อยใหญ่ยาบอ่อได้ดังใจสุดวิสัยลวดย่งปดขันตั้งลานีกอบีฮันและนะ สปาปนาวันนาปภ า, าส่วนนางวันนาปภ า, าแม่เจ้าตุกไม่เอาวันคืนใจโมวืน้นสะต้อนเนื้อตัวอ่อนรวยแรงเหตดเปียที่แฝงลายหลากบอกหูภาคไยนีแม่นอดขันตีจันจันเปียที่ดันไปใน ลำบากใจดักแกนางหูแน่ได้ตนว่าจักอยู่เป็นคนยินอยากเตียงได้ภาคเมื่อพอนังอววรไม่มมดน้ำตาญยาดล้ำไหลจิงแข่งใจเกาวถอยบอกลูกน้อยคำใจอันบาดยายต่อนาพ้อตั้งห้าจอมควันว่าดูราจอมควันเฮรักแม่ แม่หูแน่ในใจว่าจักอยู่ไปไปลายนาเปื่อเลี่ยงหาคำใจบอมีหมายจากักใดดังกึดไว้เดิมอ่อนแม่เตียงใดเบื่อมอก็ะผากล้าเสียจากบุดตากันแม่มารดาผ า, ากนาหือลูกตั้งหาจอมกัน ยุงรักแปลงปันคำเจ้าเมือนแม่เจ้ายังมีปีหูดีบอกน้องเฮือแจ้งส่องตามไรยอย่านอนลุกข่ายขี้ขานอย่าละสอดบานลืมการอย่าใจหันสวกกายอย่าดาวาเบียนกันพ่อจอมพันสอนก่าอย่าลำเศร้าเหลือกรม ปอจกจำเข้าป่าจุงรีบกว่าเร็วไวป้ปอจำไปบวกลองฮือหาปีน้องไปปั้นย่าปักกันภักมาก์ยังโอวาดกำจอันปีตาปอเจ้าได้บอกเราจะสอนย้ำจากนอนนั่นใสหูขับไววันตา อย่างคุณสองขาพ่อแม่ยาเวนแวววันใดแม่นต่อไปไปนาหรือบ่อนเ่นจ้าหลายปีพ่อเจ้ามีแม่ใหม่จุงขามใจช่วยกะตำการคือแปลงใจบ้านรักขอ ด, ดังแม่ยอดในตนยาตารนสวกา เยี่ยวแม่หน้าจักตีจักเบียนขี้ลูกเตาหื้อไม่เอาเครื่องกานางวันน้บป่าผาอ่อนน้อยเก่าเสียง้อยสุดปลายก่อจโหที่ตายกาผากลาละจากเมืองคนละลูกตนตั้งหาเป็นกำผ้ามองขีก็มีฮันแลนอะา ปันธุโลปิปาน ะ, ะหาปฏิส่วนปันธุละกกหะบดีผู้ใหญ่ตุกโศกไม่เผลน้นยนภริญาตนรวมสร้างใดผาคางมรารณาละบุตตาตั้งหาเป็นกำผ้ามองขีต้าสติมีตังมัน กึสอดดันตามทำบ่าร้อยป่าปะกําปางก่อนมาไลาตอนต่อจนฮือเมียเตรียมตนตายจากลูกเต้าหากมองพานคนในสงสารมวลหมู่ย่อมตั้งอยู่ตามกรรมตามกรรมน้ำจากหลากตามวิบากป้าไปบอบีไผ่แต่เล่าจากปนบิบากเก่าเดิมอ่อน ผ่องเมื่อม้อนด่วนสันผ่องอายุมันยืนยาวผ่องพงเป็นสาวหนุ่มน้อยกอได้กาดก้อยมาราณาผ่องจาระแก่เทาป่วยอยู่เตียงเต้าเจใจบ้านพ่องเป็นคนผ่านกัญยากตกลำบากเกรินผ่องเขาของตนมาเต้า ย้อนบุญกรรมเก่าดีลีกาฮาบอดีผู้ใหญ่กึศขวัดใจตามธรรมแม่นทุกศกคำเอาไม่ก็เก็บบุบไหวภายใน แปลงจิตใจคือมันบ่อไว้วันเวว่าแล้วดังด้เลิกสากตามเก่ารากโบราณคือทรงสักการเมียแก้วตามฤีธิหลวงแล้วเดิมอ่อนก็มีหันแลนะ่าตาโตปรารังทัดดันไปเป็นเก่าปันธุละเจ้ากะาบ่ดีอันภาริญญาดับอินทีตายจาก ละตุกลำบากตุกตนเป็นกังวลคำเจ้าได้แต่งเข้าอาหารตั้งของหวานเสือ้อผ้าเลี้ยงลูกหาคำใจตั้งการตั้งลายหน่อยใหญ่ตั้งการในให้ในนา การเกะหาปัดกาดล่างถวยถาดองไยตั้งสุมไฟหนึ่งเขาตกแต่งเลาอาหารกิจการมวลหมูมตกคอนอยู่ในตนลูกหาคนนั่นใสหาจ่วยไดเป็นอันเหตุลูกจอมควันปีเก้าเจ็ดปีเล่าตั้งมาส่วนบุตตานองซอย นอพรอหยอดซอยบุญมีได้สองปีเป็นแก่นพงเต้นเล่นไปมาล้างเต้าทำ้าแต่แม่ให้พัดแผ่เรรนปีสี่คนแดวกลจพ่องร้องไห้ตัวไปพ่องจะใครลมเล่าว่าแม่เป็นเจ้าเรารา ได้ไก่กาใหญ่าบาทไปแอวกาดแดนไก่เพื่อเอาขวใบแผ่นผาตั้งเกลืองงาอลังการเข้าดมบ้านหลายสิ่งรส า, านหญิงหลายอัน มายืนปั้นน้องเดาแม่เป็นเจ้ายังไปตันมาขอสายตาน้องลาอุดอยู่ทารอราส่วนปีตาพ่อเจ้าหันดูกเต้ามองผ่าน ใจบอบบานจื่นอยตุ้งจองหอยไปในเต้าแปลงใจตั้งมันอดเยืนกันตามรายจู่แลงง่ายคำเจ้าอดเลี้ยงดูเต้าใสใจแต่นั้นไปไปนามเงินเดินจ้าสามปีกาบอดีผู้ใหญ่ก่อขืดไข่คันยยคคินิงใยว่าลูกเราลายนักแก่ บ่มีแม่รุมราญามไปน้าและให้ละลูกไว้ไปหลังบอูสั่งสักสิ่งได้แต่เต้นวิ่งไปมากันตารกคาเจ้าบ้านบอกยานอันตรายเข้าของลายลาไว้บ่มีไผยอยู่ไกล้เห็นกันโจนมาหันจวกสย่อมลักใดตามใจย้อนบ่มีไผยสักผู จักได้หัวและหันเหตุโลกปะกันแอวเล่นบิดวิ่งเต้นไกตาควันสะแหวงหาซอใส่เอาแม่ใหม่มาแตนเตียงไมยแขวนลำบากจ่วยอุปถากรุมราปฏิบัติเกห่าพอเฝ้าเลี้ยงลูกเต่าตวยไปคิดจะได้หน่อยใหญ่ไดช่วยใจแตนมือ ช่วยยบถือปัดกวาดคือเนสะอาดกรดีช่วยคัดสีลูกเตาดาแต่งเข้าอาหารยามรากะตำการหิวหอดได้ย่างจอดสาวแรงยามกินแกงบ่มีจอนตุกย่อมคอนตุวยมายามเป็นโรกาเมือ่อใครเมียบอยู่ไกลปัดปูว เป็นตุกตัวแต่เล่าคำก่อนเก่าโบราณสืบมานานเก่าแก่หากเม็นแต่ดีลีก้าบดีผู้ใหญ่หม่องมนไม่เครื่องกาปิจารดาสั้นซองลายบทบาททองความไหนก็มีวันนั้นแลยนะ เทติตังขีญาสังมันนานาวิเศษจาห้องเหตสุวรรณนแเปคำผูกเก้าใจดกเล่าเหมือนลายปังเมื่อใจแก่ข้าวกึ้ไข่เน่าเอาสาวเรื่องยังเหยาาไปดาอดใจทาดาฟังผูกนิยังไปแจ้งฟังต่อแทงตัวไปก่อบังกมสมฤต เสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล้ว